ในอุปสมบทวิธีนะาหน้าร้อยเจ็ดสิตั้งนะครับข้อที่หกสิบเอ็ดที่สูรุใจจงใจปรองชีวิตศาเดระฉาต้องหาบัดปานจิตีนะครับเนี่ยง่ายสบายนะนะมายาครับก็ตั้งใจจะฆ่าสามีจีนนาลรู้ว่าสามีชีวิตนะครับมันต้องเป็นความรู้ใช่ไหมสามีชีวิตรู้ว่าสามีชีวิตมีจิที่จะฆ่าภรรยา ตัาด้วยความพยายามเขาโง่ใช่ไหครับเป็นปนัดีบากและต้องบดไปในสิขาบทนี้นะครับอันดีราฉัานะจะ ต, ตัวใหญ่ตัวเล็กก็แล้วแสนะครับต้องบด ป, ปังจิตีเหมือนกันเพียงแต่ว่าถ้าเป็นสัตว์ตัวใหญ่นะ่ะเป็นยังไงอคูสนจะมีกําลังมากกว่าใช่ไหมรัเพราะว่าใช้ความพยายามมากถ้าสัตว์ตัวเล็กก็เป็นอ่าน้อยกว่านคะครับทีเวลายุงกลับเนี่ยใครไปตกพยัญชนะนั่นะนั่นไปตีเลยนะครับ ที่หนังคือมันเป็นอักขุสรกรรมเนี่ยเป็นกรรมบังบดด้วยรเลยก็นำไปอาบาสนี่เลยเขาไม่ใช่ธรรมดาไปฆ่าสัตว์บางที่ที่แบบในภาคที่ขทเขาไม่ได้ใส่ใจพิณอะไรใช่ยุงมันกรเนี่ยพวกเพี้ยคู่เพี้ยอะไรนะเขาไม่้ใส่ใจนะรับ <c oughs> หรือว่าตาบางอะไรบางบางทีนะ <c oughs> โอ้ย็ม <c oughs> ่แบกบไม่เอาไม้แบกใส่ฟ้า ตั้องสมัยผมอยู่ผมพ่อเขาจะมีเครื่องลอกยุง น, นะนะครับที่มันค่าเป็นกรงแม่แม่แล้วก็มีแสงเรืองมาทั้งยุงทั้งแมลงเข้ามาติดโอ้ยสารเยอะแยะนะครับโอ้ยนื่นแบบเยอะมากนะหาสารนะครับตะกุศลไม่ไปเยอะเลยนะถ้าก็สบายครับยุ่ไม่เกิดโอ้ยพักพัาทําขนาดนั้นน่าเกียจแล้วนะท่าตัวสองตัวเนี่ยโอ้มีวพอนใช่ไหมแต่ต้องไปตั้งเครื่องไว้ทั้งมาทั้งคืนอยู่นนะครับ โอ้ยแสงเขไปตาเยอะมากนะมันเป็นเครื่องที่สุเมียนจะเห็นไหมครับเครื่องล่อแมลงล่ออยู่ให้เข้าไปเป็นไฟมีแสงออกแล้วทายโคมเลยครับนนะไม่ได้เหมืับเรื่องมาจับผู้ชายใครไลฟตาใช่ไหมเรื่องชายดีครับอืมครับหน้านี่ไม่หน้าหนึ้อแปดสิบเ็นะครับเรื่องผ้าอุ้ย โดยสมัยนั้นพุทธภาพพระเจ้าประทําอยู่นั่งพระเฉตวันอาลางของนาคาบิดิกาฆ่าบดีเขระนครสาวาทีครั้งนั้นท่านพระอุทัยเป็นผู้ชำนาญในการยิงธนูชํานาญถึงขนาดว่าสมัยก่อนมางบูนะท่านเป็นอาจารย์นะครับอาจารย์สอนวิชาธยยนูด้วยนะไม่ใช่ธรรมด า, านะครับท่นานสอนเลยบอกว่าเป็นอาจารย์ของพวกนานขมังธนูในท่าที่เป็นคลหันนะครับ ก็เลยชํานาญการยิงธนูนนะนกกาข้างหมายมันเป็นที่ชอบใจของของท่านนะครับถ้าอาจจะลาคาเสียงมันนะท่านก็เลยไม่ชอบพวกนกกานะครับท่านได้ยิงมันนะแล้วก็แม่นด้วยนะครับของมาตายนะแล้วได้ตัดศีรษะเสียบล้าวเรียงไว้เป็นลําดับครับ <c oughs> ปัะจานเลยเนี <c> ่ย <oughs> ตันถึงว่าประจานนะครับ <c oughs> เสียบเรียงไว้เลยนะโอ้ทอยทําถึงขนาดนี้เลยรั้ ภิษุทั้งหลายถามอย่างนี้ว่าอาวิโสใครข้ามนอกกาเหล่านี้เทวทยีตอบว่าผมเองครับเพราะผมไม่ชอบนอกกาบรรฑาภิกษุที่เังผู้มักน้อยสันโดษต่างก็เพ่งเทวดิตเทมุทนาว่าฉนัยท่านพระุทา ย, ทยจิงได้แกล้ภฆาสัตจากชีวิตลอดและกล่าวเรื่องนั้นแหละที่มาพาเจ้าพระองค์ทรงสอบถามทรงตีเตรียมพทยแล้วก็มีคำถามตัวนี้ขึ้นมาวแกทาอะไรแปนะ แปลกมากเลยครไม่ได้มีบอกว่าถ้าในบรรูนะลุชายีนะไม่มีไม่เป็นรูปข่าไม่เจอนะบรรูนเนาะอุ่มใช่ไหมนะมันจะมีการาอุชาญมาแล้วก็มหาลุชายีแล้วนี่เราลุชายีนะครับมันเปอนทายทั้งสามนะถ้าเป็นมหาลุชายีนั้นนัสติมหาเทวสามโลกนะั<อ>่นแหละการุชาญก็เหมือนกันนะ เคได้ยินใช่ไหมการุษไทยยำหมาเป็นท่าค้าด้นะครับแต่บรรูทานยีนี้ไม่มีนะไม่มีครับเคยฟังของอาจารย์ใช้ว่าบอกว่าไม่ได้บรรุษเพราะว่าเป็นผู้ที่มีกิเลสมากกิเลสหนาะครับไม่ได้บรรลุรารูษทานยีเขาลูกนี้นะถ้ารอรอรุษนะครับอ๋อเข้าท่ายเฉยๆนะแต่ไม่ใช่ที่เป็นท่าสีดิบนะสาวงนะครับ นั้นนี่มาทำอะไรนี่น่าแปลกๆอ่นีครับ่นี้นะอ่นี้ครับอันนี้ก่อไม่ยากนะก็มาดูคาที่ฝั่นีันเนกรการห้าสอง้อยยี่สิบเจ็ดนะครับว <c oughs> <c oughs> ัต <c oughs> <c oughs> ที่เจ็ดสปานลนะก่ับวัต หนึ่งอธิบายสันจิตจักษะบทนะครับพึงาทราบหาอธิบายสิกขาบทที่หนึ่งแห่งกั บ, บาลและกล่าวว่าต่อไปคําว่าสิ่งมีชีวิตประสงค์เอาสิ่งมีชีวิตที่เป็นสัตว์เดรัจฉานนะครัเมื่อพิสูจน์ขาสัตว์เดรัจฉานาไม่ว่าจะเป็นสัตว์เล็กหรือใหญ่ก็ล้วนเป็นอบัติตามจิตดีเหมือนกันตแต่ในสัตว์ใหญ่จิตเป็นอกุศลที่มีโทษมากกว่าเพราะต้องใช้ความพยายามมากกว่า อันนี้นะเขาอทิบา ย, ยาน้อยครับสิขาบทนี้พิมพากจ่าทรงปารุเข้าทายีเสแะในเมืองสาวัตถีทรงบัญญัติไปแล้วเพราะเหตุคือการฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตนะครั บ, รบเป็นสาธารณะบัญญัติที่สุนี้ก็มีอสาสนาติกะใช้ฆ่าก็เป็นนะอันนี้ไม่ได้นะครับเป็นเลยเป็นอาบัติผู้กดสําหรับที่สูนเหล่านี้คือสัตว์มีชีวิต ถ้ามีความสงสัยนะครับเอ๊มีไม่มีชีวิตนะแต่ก็ค่ามันนะครับเวลาอะไรแมลงตกลงไปสงซ่วงเอ๊มันใช่มแมลงหรือเปล่าข <c oughs> ี้เกียจออกอ่ะอสงสัยอนยะู่นะถ้าที่มันเป็นมแมลงจริงอ่างลงไปนะครับอันนี้ก็ต้องบัตรุกคนนะครับหรือที่ไม่มีชีวิตมัเป็นมแมลงมาตกมาตั้งนานตายแล้วนะครับแล้วมันนันสงสัยมันมีชีวิตหรือเปล่านะครับเข้าใจผิดว่ามีชีวิตหรือว่าสงสัยนะครับ แต่ก็ไปพลาดมันนะอันนี้ก็จะต้องมาทุกกดกัดีนะครับอาณนนาบันะไม่เป็นอาบัตแกวิสูรเหล่านี้นะครับหนึ่งผู้ที่ไม่ได้จงใจงไม่ได้ตั้งใจฆ่านะอย่างเช่นเราเดินไปเดินมาแล้วก็เหยียบมดตาอยานี้ใช่หมครับไม่มีเจตนาไม่เป็นอาณบัตรัสองผู้ที่ไม่ประสงค์จะให้ตายถ้าประสงค์จะช่วยเหลือนะอย่างที่เราได่ฟางนะ เอาเต่าภูเขาไปปล่อยลงน้ำเต่าภูเขาเน่ยมันต้องอยู่บนภูเขามาลงน้ําไม่ได้ลงน้ําล้วมันจะตายนะครับทีนี้คนให้รู้ใช่ไหมก็มันปล่อยลงน้ำไม่มีความประสงค์จะให้ตายนะครับประสงค์ที่ให้มันไปสบายใช่ไหมนะครับแต่มันเกิดตายนะนี่ก็ไม่ต้องอาบาอายนะครับแล้วก็ความทริในทีนี้นะี่นาาย อ, อนาคตจะเยอะกว่าในกลางคัน แล้วบอกว่าพิสูผู้ไม่รู้ครับอันนี้นะก็ข้อเดียวกันนะครัไม่รู้ว่ามันระสงจะให้ตายไม่เหมือนให้ตายคนนะเขาว่าไม่รู้นะครับน่าจะปล่อยตายเมื่อตะกี้นะไม่รู้คือไม่รู้ว่าทำนี่ทําให้ตายนะครับไม่ประสงค์จะให้ตายใช่ว่าเราจะช่วยสัตว์ให้หลอดนะแต่มันกลับตายอย่างที่เล่ายกตัวอย่างว่าจะช่วยหมาโดนยาพิษใช่ไหม แต่เอาน้ำเกาะปากมันสำหรักน้ําตายนะครับเราประสงค์จะช่วยน่าไม่ประสงคให้ตายมานจะตายนะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอันบัตรนะจิตนาแล้วก็ท่าเปือยไม่มีสตินะครับไปเผลอปั่นยุงตายใช่ไหมแม่ตั้งใจนะให้มีสตินะครับอันนี้ก็ไม่ต้องอันบัตรนะคนี่กองจด็ิติกรรมวกาไม่ต้องอันบัตรอะไรมันเป็นอ่ะพิสูจบ้างเป็นต้นเนี่ยไม่ต้องบัตนะครับ ใ่ความที่เหลือมีในจามที่กล่าวไแล้วในมนุษย์ามวิขาดสิขาบทคำที่บานเขียการฆ่าสัตว์ก็เหมือนกับตรลาชิคข้อที่สามใช่ไหมเนันห น, นะครับเปลี่ยนแต่ว่าไม่ฆ่าคนอันนี้เป็นฆ่าสัตว์นะครับตายกเองอาบัตก็บรรลุปดีนะองก็ห้านะครับสามีชีวิตใช่ไหมหรือว่าสามีชีวิตมีชีวิตเจ็ด้าพยายามสัตว อธิบายสามจากสิบห้าบทต้องสมัยถึงบุบใหม่เนี่ยผมก็เป็นตบยุงนะต้องเป็นตบยุงเนีเราก็ไม่รู้หลวพ่อก็มาห้ามไม่ตบยุงผมไม่พอใจหลวงพ่อมาห้ามไม่ตบยุงผมคิดว่าเนี่ยมันแครงมากเกินไปแล้วนะทไมแค่ตบยุงนี้ไม่ได้มันแครงมากเกินไปแล้วเหรอหนาก็ไม่รู้เรื่อง เขาไม่รู้เรื่องต่อเนั้นไม่รู้ว่าเป็นบาปมุณโทษอะไรเนี่ยเขามันเป็นคารวาชทำมันเคยชินใช่ไหมเห็นมันบงบัดอะไรมายุงมากะเราเจ็บเนี่ยทําไมตนไม่ได้แค่งเป็นใครนะเจ้าไม่ถึงกายนะครับยามที่ชาบ้านเขาเป็นอย่างั้นนะเขาไม่ศึกษาธรรมใช่ไหมครับเขาก็เลยไม่เห็นโทษของใครนครับเขาก็ ถึงได้ฟังได้อะไรบ้างแต่ไม่สราบซึ้ น, นะไม่เห็นโทษของเราทำแต่ชิ้นไปเลยแต่พอบวชนานนะครับบวนเรียนฟังทำอะไรมากขึ้นเนียก็สูมสากไปเรื่ อ, อยใช่ไหมจเห็นไม่โทษเป็นภัยนี่ก็ไม่ทำเลยทีนี้ก็กรรมว่าิสวิทีข้อสุดสองที่สุดรูปใดรู้อยู่เพืพ่อนบ่อนิพพ์ใช้สอยน้ำที่มีตัวสัตว์ ต้องอาบัดปานสิตรีนะครับเมือนคล้ายกับข้อที่ว่ารู้อยู่น้มีตัวสัตว์เอาไปรดหญ้าหรือดินใช่ไหมอาบแปลรดหญ้าหรือดินนะครับในที่เอามาปฏิบัตใช้สอยกับร่างกายจะเองนะเอามาดื่มก็ดีนะครับหรือมาอาบน้ําก็ดีแต่รู้เท่ารู้ว่าไอ้น้ําเนี่ยมีตัวเล็กๆอยู่น้าลูกนน้ำลูกยุงแล้วแต่นะครับถ้าเรามาใช้สอยแล้วก็สัตว์จะตายรู้เท่ารู้อย่างนี้นะครับแล้วก็มาใช้สอย ก็ต้องแบบตาสจิตีสิขาบทนี้ไม่มีเจตนาจะฆ่าให้ตายนะท่าได้รู้ว่ามันจะตายเพราะการทำแบบนี้แต่ไม่มีเจตนาจะฆ่าประสงค์จะมาใช้ซอยอย่างเดียวในการปางจิงตีถ้ามีเจตนาจะฆ่าใช่ไหมมันก็จะเป็นอันบัตรในข้อหนี้งรนละ้วแต่นี้มีเจตนามาใช้ซอยก็เลยเป็นอันบัตรข้อสอต้องรู้ทั้งรู้นะถ้าเราไม่รู้เลยเนี่ยก็ไม่เป็นอันบัตรของเราอันนี้มาดูตันอยาัก ต้องบัญญัตินะครับมาจากพระเจ้าพุทีนะครับโดยสมัยนั้นพระบรมภาพพระเจ้าประทําอยู่หนพระเชตวันอารามของอนาถบิษกังข้ามบดีเขตพระนครสาบถีครั้งนั้นพระเจ้าพุทีรู้อยู่บริพกอน้ํานมีตัวสัตว์บรรดาพิสุทธิ์ที่พูดมักน้อยสันโดษต่างก็แทงตอดิจเจมบทนาว่าฉนันพระเจ้าพุทีรู้อยู่จึงได้บริพกอน้ํานมีตัวสัตว์เล่า แล้วกาบเรื่องนั้นแดกมีมะผ้าเจ้าพาาระองค์ทรงสอบถามทรงติดเตียงพระเจ้าปคีและก็มายาสถามบท น, นี้ขึ้นมาเี๋ก่อนนะเมื่อกี้ในเรื่องค่าสั่มีคำทีิบายหนะ่อยไหาฟังเกี่ยวกับค่าสั่เมื่อกี้นะครับท่านบอกว่าชั้นที่สุดที่สุดจะทองความสะาดเตียงและต่างมีความสําคัญแม้ในไขเรื่องว่าเป็นสนั่งแรก มีไข่เรือนะเครเห็นมไหมครับไข่เรือครับไข่เรือตัวเรือนครับรอเรือนะของของเรานี่ไม่มีแล้วนะครับมันสูญพันธุ์ไปแล้วนะเขาบอกมาสูญพันธุ์แต่สมัย ไ, ไม่รู้นะครับเขาบอกวาวที่ในคุ้มมีอยู่นะแต่ในประเทศพม่านี่ยังมีนะครับประเทศที่ยังไม่เจริญมากนะมันที่อยู่ในว้านนะครับถ้าไปนอนนี่นะ่ะไอ้ตัวเรือตรงนี้นมันจะมาดู การเลือดกินนะครับและตัวมันก็จะป่องใช่ไหมนะครับน่าตัวเลือดนะครับถ้าไปนานเข้าไปอยู่ในพม่าบางทีโดนตัวเลือดกัดนะครับพวกเนพวกอะไรเนี้ยนะบางทีมยังยังไม่นั่นนะครับใน่อย่งนี้มันจะเลอะมากนะเนี่ยแล้วมันก็มีไข่อยู่นะครับบี้ไข่เลือดนั้นให้แตกออกเพราะขาดความกระดูกน่าเป็นตาจิตตีนกันนะครับเพราะมันเปข้าศัตรูนะ แม้แต่เป็นไข่เป็นอะไรนี้ไม่ได้นะครับเพราะเหตุ น, นั้นพิสุจึ์ตั้งความก ร, รุณาไว้ในฐานะเช่นนั้นเป็นผู้ไม่เป็นหมายทำบ้าเถิดนะครับเราก็ไม่ต้องไปบีมมันหรอกเราก็ไปปักที่อื่นใช่ไหมที่แม่ค้ามันตายครับทีนี้ก็กลับมาที่นี้นะครับในกางขาตหน้าร้อยยี่สิบแปด ถึงครึ้นไม่อย่างคำพันเนี่ยน่าครึ่งแล้วใช่ไหมตอนนี้น่าออกครึ่ง น, น, น, นล้วครับมีอไร้ผมจะจบนะหรือตั้ง เ, เรียนสองอธิบายสปาร์นา ก, การสิขาบนในสิขาบทที่สองคำว่าน้ำมีตัวสัตว์นะครับสปาร์นาการคือน้ำที่มีตัวสัตว์ซึ่งจะตายด้วยการบริโภคก็เมื่อพ่สูจน์บริโภคน้ําเช่นนั้น ทั้งที่รู้อยู่เป็นอาบันปา ง, ปางตีทุกๆครั้งที่บริพ่นันเนี่ยฉานพูดถึงว่าถ้าว่าพิสู่น์เอาน้าําเอาบาดไปต่าน้ํามาเต็ีใช่ไหมครับและก็ดื่มทีเดียวเนะ้่ยหมดบาดเลยนะครับมีลูกน้ำมีอะไรนู่นนีก็ไม่สนน่าดื่มไปหมดเลย <c oughs> อันนี้ก็ต่อไปตีตัวเดียวพ่อดืมทีเดียวแต่ถ้าดื่มไม่ขาดตอนหลายทั้งรอเป็นหลายตัวนะครับหรือว่างครับเอาน้ําที่มีตัวสั่นเนี่ยนะ นะครับไปแกวงล้างาบาตรที่มีอานมิตใช่ไหมบาตเราชนะอาหาเรเจษมีเศษอาหาเรเศษอะไรเหลือใช่ไหมคออรับเราก็ไปล้างนะสารนั่นก็ตายโดนพลิกมาอะไรมังตายใช่ไหมครับหรือทําบาตเข้าวกําร้อนให้เย็นนะครับเราก็บาตเข้าว้ันร้อนๆไปแช่น้ำนะะั้นนะครับจาเร่เรกตายนะครับเอามือวัดหรือเอาตะบวยตักน้ํานั้นอาบ น, นะครับมันก็ดีเป็นปัญญที่ทุกๆประโยชน์ด้วยความพยายามเลยนะ ท่านก็จะูดถึงเวลาทำความสาสอาดบุคลาภของเราไม่มีนะทำความสะอาดนะน้ำลูกอยุงลูกน้ำเนี่ยเราก็ต้องตักออกมาใช่ไหมตักออกมาใส่ถังแล้วก็มาเลี้ยงไว้อย่างที่ไทยไล่สังว์นั่นนะฮะเอามาเลี้ยงไว้แล้วก็ปิดไาแล้วก็เปิดไาให้มาช่วงวันเลครับผมโต้ไี่ได้บินนีเงียนะอันต้อไปเลี้ยงมาทั้งน้องน้องกุนติงนี่นะครับ <c oughs> นี่จะไปเททิ้งนี่ไม่ได้นะเด็กลนได้คอะที่มันจะไม่ตายไม่โดนแดดร้อนู่ตายไม่ได้ค่ไปปล่อยใช่ไหม อ๋อนะมันลอยยุงปลากินไหมนะเป็นโดนปลากินที่ไหครันมีปลาอยู่นะบางทีถ้าที่ไหนมีปลาหางลูกยุงอยู่น่ะเสร็จไหมนะอารุณน้ำไปปล่อยที่ไม่เสร็จหมดเลยนะปล่อยในกระทะนี่แหละนะครับเสร็จปาเลยแต่ถ้าปลาอย่างจรผมไม่กินนะเพราะลูกน้ํำมันเลย ว่าเหตุและประเภทอาบังครับสิท้ทาบด น, นี้พระมหากษัตริยทรงประลบพิสุชาวกุลคีในเมืองสามวีบร์บัญญัติไว้แล้วก็เห็นคือการบริพ้องนะที่มีตัวสับทั้งที่รู้อยู่นะรู้ทั้งรู้นะรู้เองก็ดีหรือคนอื่นบอกก็าาแล้ครับถ้าไม่รู้ก็ไม่ต้องอาบัตเลยถ้าสงสัยไหมก็ต้องมาทุกขนนะครับถ้าบอกว่าไม่รู้ไม่ต้องอาบัต ถ้านั้นไม่มีตัวสัตว์เลยเราก็จะรู้ว่ามีตัวสัตว์หรือว่าสงสยัยและบริพ่อเขยังต้องทุดกดนะครับนี่สิกขาบทนี้ใจความที่เหลือนะครับเพิ่งทราบตามในพิการไปแล้วในสันสินเจนะไม่ใช่สินเจนาสิกขาบท น, นะครับสิกขาบทข้อว่าด้วยรู้ว่านั้นมีตัวสัตว์เอาไปลดหย่อนดิน สินจ น, นะอ่านสินชนะใช่ไหมสินชนะอ่านเฉยก็ได้นะครับโจกการพิบารสปังกักสีขาวบนอนาบาัตฉันไม่ได้บอกนะอนาบาัตได้บอกว่าพิสูจน์ไม่รู้ว่าน้ำมีตัวสัตว์ไม่รู้นะครับถ้าที่มันมีนะอันนี้ก็ไม่เป็นแล้วก็สองพิสูจรู้ว่าน้ําไม่มีตัวสัตว์นะครับคือรู้ว่าสัตว์จะไม่ตายเพราะการบริโภคดังนี้บริโภคได้ พิสุภุกรจิตพิสุอาทิกรรมีกาไม่ต้องอ า, บะอะอางบักแรงเนี่ยขาะที่บายอย่างนะสมุทฐานนะครับข้อนี้นะสมุทฐานสามเลยมันต้องมีจิตใช่ไหมกายจิตมาจาจิตกายวาจาจิตครับเป็นกิริยาต้องประกาศธรรมสัญญาที่โมกนะครั บ, มญญมรบไม่รู้ก็ไม่พ้นเนี่ยเนี่ยพ้นได้เขาไม่รู้ <laughs> ถ้าเราไม่รู้เราก็พ้อนอา้างบั๋ได้านนะครับ สจิตการันารู้เขารูทั้งนั้น่าจะมีจิตนะครับปัญติวัชชาไม่ได้เป็นอกุสวยีย์เดียวนะครับเนี่ยถ้าจะที่บานนะถึงรู้ทั้งรู้แต่ใจก็ไม่ได้เป็นอนุสวรีย์เดียวการกรรมก็ได้การศึกกรรมก็ได้ใช้นะครับมีจิตสามเวทนาสามอะรแต่สิาวันนี้บุณิตพุนทราบว่าเป็นปัติวัชชานะครับไม่ได้เป็นอนุสวยีย์เดียวเพราะปิสูรแม้รู้ว่าน้ำมีตัวสั่งและบริโภค ด้วยสำคัญว่าเป็นนะก็ไม่ได้เป็นอุจจยอย่างเดียวดุจในการที่แม้รว่วตกแคงและสัตวเล็กจะตกลงไปแล้วต่างปฏิบัติด้วยจิต บ, บริสุทธิ์ชนะดังนี้แหลกใช่ไหมเวลาจุดเทียนจุดอะไรขึ้นไหมครับถ้ารั่วอะไรมันจะมาต อ, ตาตอ แ, ตาแล้วก็ตกลงมาตายแต่เจรณาเราไม่ได้มีอย่นนะัเจนามราทําอย่างอื่นให้แสงสว่างหรือบูชาใช่ไหมครับเพราะนั้นก็ไม่ได้เป็นอุจจยอย่างเดียวครับนี่นะ เนี่ยก็โอนะครับมีหมดเวลาเราไม่ได้นานมาลนะใกล้เลยนะเออมีวันวันที่ พรงนี้ยี่สิบเก้าใช่ไหมครั บ, รบมันจะมีวันที่สามเลยยี่สิบเก้าวันที่สามไปหมอเขียวใช่ไห ม, ม, เ, ไหมเขาไปแต่เช้าก็แต่เช้าคงทั้งวันเขาแบบนั้นนะ่ะพอดีถ้าลองเชื่อผมแล้ ว, ผ ม, ลวผมก็เลยไปอะไรนี่หว่านะ้ <c oughs> ไปเหมือนกันวันที่สามผมจะอยู่นในห้องไปเข้ามาวันวันาอะไร<ม>ก<ม>ไ็บอกว่าไม่ใช่ครับที่หนอกพระบรมเลยจะเข้าไปเนี้ย ทางไปป่านก็อือเข้าไปทางทางไปนั้นไหนครับทางพว่มคนนะแต่ว่าเป็นว่าหนึ่งจำชื่อไม่ได้ว่าส่งานว่าอะไรเขาเขียนไว้อ๋อหนาเซตไนวันเดียวเข้าไปส่งตอนเช้าของวันหนึ่งแหละเดนตไม่ไปเวันที่สาม วันนี้ก็แค่นก่อนนะครับในท้งสุดนี้ขอความเจริญงอกงามในธรรมวินัยของพระสมมาสุตเจ้าจงแต่ทั้งหลายด้วยกันทุกท่านเธอถิด